50 languages. Ninety-four. Tonuti non. Kam santi one. g e d น้องมุดิคุมวะไรกอดทรึรอจนกว่าเขาจะกลับมาอวันทิริมบิวรุมวะไรกอดทรึดิฉันรอจนกว่าผมจะแห้งเย็นทะเลมุดิวุลารุมวะรน้องกอดทรกี้รดิฉันรอจนกว่าหนังจะจบ สิรีป ட ม ய ม ம ด வ ยைมว ன ร க นอ் த อตுิริกิேร்ดิฉันรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวพุกวรัตวิลกุพัชยาหุைมว ன ร க นอ் த อตுิริกิேร்คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่นี่เยื่อปอดวิโดมาร்ยล ல ்ลி ற รย்ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ โคดีวิดุมเร็คืมุ่นาากาใช่ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่มอ๋โอโคดีวิดุมเรงอารมณ์มาวัดอร์คือมุนนะ่งนซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่มคุณเรียนกอล์มอารมณ์มาฟูมุ่งนเรคูรเรย์ิยล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ เมื่อเยลๆออกก่อ ம ม்ุ ன เนைค ழ อ வ ி க ดวิคุลปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอกเด ள ி ய ேยังพูดกับคุณจออันนลัยโมดวิดคุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่นี่เย็บปอดตัวบีทที่กูบาร์คีรอยหลังเลิกเรียนหรือว க ுก்ปு ம ுดิน் த พิราฟ้าค่ะ หลังเลิกเรียนอ้อว่กุปูมุดิ่งตดพิระกหลังจากเขาประสบอุบัติเหตุเขาทำงานไม่ได้อีกต่อไปอวนเดวิดตึกกปินน์น์อวันนอลเมร์คุณดเวเล่เซียเยลวิลเลยหลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกา เวลาเยอีดันดาปินน์ร์อวันอเมริกาเซนดรอนหลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกาเขาก็ร่ำรวยอเมริกาเซนทร์เรตพิระกุ อ, อวันเซลวันดนอ น, อน